โสจัยะทางกายสามได้แก่การที่บุคคลบางคน 1. ละปานาติบาตเว้นขาดจากการตัดรอนชีวิตวางทันทะวางสัตรามีความละอายใจกอบด้วยเมตตาฝ่ายใจช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ปวงสัตวโลก 2. อ, อธทินนาทาน เว้นขาดจาการถือเอาสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ไม่ยึดถือทรัพย์สินอุปกรณ์อย่างใดๆของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ในบ้านหรือในป่าซึ่งเขาไม่ได้ให้อย่างเป็นขโมย 3. การเมสุมิจาจา์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายไม่ล่วงละเมิดในสตรีเช่นอย่างผู้ที่มารดาวรักษาผู้ที่บิดารักษา ผู้ที่มีพี่น้องชายรักษาผู้ที่มีพี่น้องหญิงรักษาผู้ที่มีญาติรักษาผู้ที่ธรรมะรักษาเช่นกฎหมายคุ้มครองหญิงมีสามีหญิงห่วงห้ามโดยที่สุดแม้หญิงที่มั่นแล้วมาเหตุผู้อ่านในทางปฏิบัติแม้ละเมิดกับผู้ชายอื่นหรือผู้ชายด้วยกันก็เข้าข่ายการเมสุมิชาจาร์เช่นกันนะครับ โจอิยะทางวาจาสีได้แก่การที่บุคคลบางคนหนึ่งละมุสาวาสเว้นขาดจากการพูดเท็จเมื่ออยู่ในสภาก็ดีอยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ท่ามกลางญาติก็ดีอยู่ท่ามกลางชุมนุมก็ดีอยู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีถูกเขาอ้างตัวซักถามเป็นพยานว่าเชิญเถิดท่านท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น เมื่อไม่รู้เขาก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นเขาก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ไม่ว่าเพราะเหตุแห่งตนเองหรือเพราะเหตุแห่งคนอื่นหรือเพราะเห็นแก่อามิ t h ใดๆ 2. ลาปิสุนาวาจาเว้นขาด จ, จากวาจาซอเสียด ไม่เป็นคนที่ฟังความข้างนี้แล้วเอาไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนฝ่ายนี้หรือฟังความข้างโน้นแล้วเอามาบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนฝ่ายโน้นเป็นผู้สมานคนที่แตกร้าวกันส่งเสริมคนที่สมัครสมานกันชอบสามัคคียินดีในสามัคคีพอใจในความสามัคคีชอบกล่าวถ้อยคำที่ทำให้คนสามัคคีกัน 3. ละพรุสวาจาเว้นขาดจากวาจาหยาบกล่าวแต่ถ้อยคำชนิดที่ไม่มีโทษเรื่อนหูน่ารักจับใจสุภาพเป็นที่พอใจของพระหูชนเป็นที่ชื่นชมของพระหูชน 4. ละสัมผัสปลาปะเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อพูดถูกการพูดคำจริง พูดเป็นอัฏฐะพูดเป็นธรรมะพูดเป็นวินัยกล่าววาจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีกำหนดขอบเขตประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรโสจัยญะทางใจสามได้แก่อนนาพิชชาไม่คิดจองเอาของคนอื่นอัพยาบาทไม่คิดร้ายใคร ตั้งใจเมตตาปรารถนาดีให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขและสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามคลองธรรมสำหรับโสจัยทางใจสามข้อนี้เป็นความหมายที่ขยายจากองค์มรรคสองข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะในระดับโลกีซึ่งมีคำอธิบายข้างต้นแล้วจึงไม่คัดมาไว้ในที่นี้ บุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลธรรมมบทส10ประการนี้ถึงตอนเช้าตรู่ลุกขึ้นจากที่นอนจะมาลูบแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงจะไม่ลูบแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงจะยกมือไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงจะไม่ยกมือไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองเพราะว่ากุศลกรรมบทสประการนี้เป็นของสะอาดเองด้วยเป็นเครื่องทำให้สะอาดด้วย พุทธพจน์จากอังกุตระนิกายทัสกานิบาทที่ว่าความหมายซึ่งขยายออกไปในรูปประกตคอาจแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับกรณีนั้นขอยกตัวอย่างเช่นเมื่อกล่าวถึงบรรพชิตคือบุคคลที่ออกบวชแล้วนอกจากศีลบางข้อจะเปลี่ยนไปและมีศีลเพิ่มใหม่อีกแล้วแม้ศีลข้อที่คงเดิมบางข้อ ก็มีความหมายส่วนที่ขยายออกไปต่างจากเดิมขอให้สังเกตข้อเว้นอัินาทานและเว้นมุสาวาตต่อไปนี้เทียบกับความหมายในกุศลกรรมบทข้างต้นละอัินาทานเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เขาให้หวังแต่ของที่เขาให้มีตนไม่เป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ ละมูสาวาตกล่าวแต่คำสัตย์ทำรงสัจจะซื่อตรงเชื่อถือได้ไม่ลวงโลกมีข้อสังเกตสำคัญในตอนนี้อย่างหนึ่งคือความหมายท่อนขยายองค์มรรคขั้นศีลเหล่านี้แต่ละข้อตามปกติยยกได้เป็นข้อละสองตอนตอนตอน้นกล่าวถึงการละเว้นไม่ทำความชั่วตอนหลัง กล่าวถึงการทำความดีที่ตรงข้ามกับความชั่วที่งดเว้นเหล่านั้นพูดสันส้นๆว่าตอนต้นใช้คำปฏิเสธตอนหลังใช้คำส่งเสริมหรือมีลบแล้วตามด้วยบวกเรื่องนี้เป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มักใช้คำสอนควบคู่ทั้งคำปฏิเสธคือนิเกตีฟและคำสนับสนุนคือโพซิทีฟไปพร้อมๆกัน ตามหลักเว้นชั่วบัมเพนดีเมื่อถือการเว้นชั่วเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ขยายความในภาคบัมเพนดีออกได้เรื่อยไปซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเท่าที่ขยายเป็นตัวอย่างในองค์มรรคเหล่านี้เท่านั้นตัวอย่างเช่นข้อเว้นอธทินนาทานในที่นี้ยังไม่ได้ขยายความในภาคบัเพนดีออกมาเป็นการปฏิบัติ จะได้มีคำสอนเรื่องทานเป็นหลักธรรมใหญ่ที่ย้ำเน้นเด่นชัดที่สุดเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาอย่างที่ปรากฏอยู่แล้วดังนี้เป็นต้น